Book 2 9เก้าสบสบคำแสดงความเป็นเจ้าของ genitive แมวของแฟนดิฉัน k u c งิง nya เพนวานิ a า a ย สุนัขของแฟนดิฉันอาดิจิงเนี่ยที่มันลักยลักยของของเล่นของลูกดิฉันไม้นั้นอนักอนักย์ขอนี่คือเสือ้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉันอ n น m ี้มัลเตลเนี่ยโคเลกา นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉันนี i มอ b i l n ์ a Kolega w ่ n i t a saya นายนั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉันนี i เป k e r j น a n p a พ a k o l e g ว saya ักระดุมของเสื้อหายไป คันชิงเคเมจ่า ย, ยัางถ อ, อดกุญแจโรงรถหายไปกุญชีก a r a g e นี้หิลังคอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสียคอมพิวเตอร์บอสรู้สักใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงใคร่ผู้หตัวดาร่ผน้หญิง p e r e m p uan ini ดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร bagaimana saya datang ke rumah orang tua anda? บ้านอยู่ตรงสุดถนน r u m a h nya terletak di akhir jalan เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไร apa nama ibu kota swiss หนังสือชื่ออะไร apa judul buku itu ลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไร siapa nama anak-anak tetangga โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไหร่ กัปป์นันกันกลบูรันโร ค, คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมงกัปปันจัปรกเทดอกเตอร์เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไรกัปป์ปันจังบุกามูเซียม